เรียนไปในช่วงล่าล่าวันก่อนเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็พูดถึงลักษณะของยาตะปริญญากับตีระณะปริญญาเป็นหลักเนี่ยนะเพราะว่ายาตะปริญญานั้นเป็นลักษณะของการทำความเห็นให้ตรงเนี่ยนะทำความเห็นให้ตรงต่อความเป็นจริงความเป็นจริงคือวัตตะเนี่ยนะกับเหตุให้เกิดวัตตะหรือความเป็นจริงของทุกพร้อมทั้งเหตุเกิดแห่งทุก ความเป็นจริงแห่งขันห่าและเหตุเกิดของขันห่าความเป็นจริงแห่งเหตุและผลความเป็นจริงแห่งกรรมและผลของกรรมเพราะว่าเมื่อเราเข้าใจในสภาพที่เป็นจริงเหล่านี้แล้วการศึกษาการปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายการศึกษาการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จึงจะไม่ใช่ปัญหาที่มันเป็นปัญหาระดับหนึ่งก็คือเนื่องจากว่า คนที่ไม่มีกรรมสกตาไม่รู้จักความเป็นไปแห่งสังสารวัตเมื่อไม่มีกรกรมสกตาปัญญาไม่รู้ความเป็นไปแห่งสังสารวัตก็มุ่งแต่จะปฏิบัติเพื่อจะออกจากวตัตฏะโดยที่ยังไม่รู้จักวตัตฏะเลยหมายคือว่าเราต้องการปฏิบัติเพื่อออกจากวงจรอัปปละกันนะแต่เราไม่รู้ว่ากลวงจรของเขาเป็นอย่างไรกลไกของเขาเป็นอย่างไรนี่ก็เหมือนการเราศึกษาเพื่อออกจากวตัตฏะเราจะต้องทําความเข้าใจให้พอว่า วะตตะเขาเขาเป็นอย่างไรเขามีความเป็นไปอย่างไรถ้านึกภาพให้ออกเนี่ยนะนึกภาพแบบย่อๆก็เหมือนกับว่ากระแสแห่งน้ำวนเนี่ยนะกระแสแห่งน้ำวนที่ไหลเวียนจากที่เก่ามาจากที่เริ่มต้นน่ไหลเวียนไปเรื่อยแล้วก็กลับมาสู่ที่เดิมอีกแล้วก็เริ่มต้นเวียนอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาทีนี้ไอ้กระแสน้ำอันนี้เนี่ยมันมีทั้งอันตรายสารพัดอยู่ในนั้น มีโขดหินมีขอนไม้มีฉลามร้ายมีคลื่นมีวังน้ําวนมีถ้าจระเข้เป็นต้นซึ่งมันเต็มไปด้วยภัยอันตรายโดยประการทั้งปวงนะมีปลาร้ายมีพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยคอยตอดคอยกัดคอยกินอยู่นั่นแหละนี่เป็นไปแบบนี้รอบแล้วรอบเล่า ว, วนแล้ววนเล่าเดี๋ยวก็จมน้ําเดี๋ยวก็สําลักน้ําเป็นต้นผู้มีปัญญาทั้งหลายก็เลยคิดว่าการขึ้นบนบกดีที่สุดนะการขึ้นบนบกดีที่สุดทีนี้ก็บอกว่า ตำแหน่งที่จะขึ้นบกได้มีอยู่กี่แห่งเพราะคนที่ลงไปในวังน้ําวนเนี่ยจะเข้าใจดีว่าไอ้ที่จะขึ้นบกได้มีอยู่ไม่กี่ที่จุดไหนที่มันใกล้ใกล้ใกล้กลกล <c oughs> จุดไหนที่ใกล้บกที่สุดที่จะขึ้นได้ง่ายเนี่ยนะก็มาดูจุดนั้นการศึกษาวตากลักษณะเดียวกันเนยะจุดที่จะทําให้ออกจากวตาได้อยู่จุดไหน นนะเพราะว่าวตาเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรกรร ม, มวัฏวิปากวัฏและกิเลสวัฏเมื่อวตาเป็นทั้งกรรมวิบากและกิเลสเราก็มาดูว่าเราจะออกจากวตาได้ส่วนไหน น, นะออกที่กรรมได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเงื่อนไขาการให้ผลของกรรมเนี่ยก็อย่างที่รู้กันว่ากรรมใดที่ทำลงไปกรรมในอดีตให้ผ ล, ใ น, ใ, ผลในอดีตให้ผลในปัจจุบันและให้ผลต่อไปใน อนาคตกรรมในปัจจุบันให้ผลในปัจจุบันให้ผลต่อไปในอนาคตสิ่งที่เราจะทําต่อไปในอนาคตมันก็จะให้ผลไปอย่างนี้มันมีแต่บวกเพิ่มทวีคูณตรีคูณจตุตตะคูณแต่ก็ไม่มีนะเขมีแต่ทวีคูณทวีคูณแปลว่าคูณสองตรีคูณก็คูณสามอันนี้อันนี้มันเป็นล้านคูณมั้งเรื่องของกรรมเนี่ยเป็นพันล้านคูณมันไม่ใช่ทวีคูณอย่างเดียวเนี่ยนะมันเป็นเป็นพันพันล้านคูณที่จะมีผลต่อไป มันเราไปดับที่กรรมนั้นจึงดับไม่ได้ไปตัดที่กรรมไม่ใช่ฐานะทีนี้ดับที่วิบากและกรรมชรูปดับที่วิปากวัฏดับได้ไหมไม่ได้เพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ฆ่าตัวตายจึงไม่มีการไปดับที่วิบากกับกรรมชรูปไปดับที่ผลของกรรมก็ไม่ใช่นี่ก็บอกว่าแล้วทําไมกรรมมันจึงให้ผลดับที่ดับตัวกรรมก็ดับไม่ได้ดับวิบากก็ดับไม่ได้ ก็มาดับว่าตัวไหนที่มันเชื่อมให้กรรมมันให้ผลตัวไหนที่เชื่อมให้กรรมให้ผลตัวนั้นก็เรียกว่ากิเลสแล้วกิเลสเป็นอย่างไรกิเลสก็คือคิดง่ายๆก็คือความสําคัญว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยตัวนั้นแหละคือตัวที่ประสานเชื่อมให้กรรมให้ผลตัวประสานที่ทําให้กรรมให้ผลพันเราก็มาจัดการว่าทําอย่างไรจึงจะละความสําคัญว่าเป็นเราว่าเป็นของเราพอที่จะดับ อ่ข้อข้อต่อเหล่านี้ได้เนี่ยนะจะตัดตัวเชื่อมตัวโยงนี้ได้เพราะดังที่รู้กันเมื่อช้าว่ามะตันอวิชาตันหาอุปาทานเป็นเหมือนแม่ที่เราให้นำให้สัตว์นั้นเกิดในวัตกรรมนี้เป็นเหมือนกับพ่อตัววิชาตัวตันหาเนี่ยเป็นตัวที่จะต้องรีบค่าเป็นลำดับแรกทีนี้สูตรเขามีอยู่ว่าค่าวิชาด้วยอะไรด้วยวิปัสนาค่าตันหาด้วย สมถะพันทั้งสมถะวิปัสนาคู่กันจึงจะฆ่าอาวิชากับตัณหาได้อย่างเด็ดขาดมันทำสองที่ควรละคืออวิชากับภวะตัณหาทำสองที่ควรเจริญคือสมถากับวิปัสนาเมื่อเจริญทำที่ควรเจริญก็จกละรมที่ควรละเนี่ยนะทีนี้ไอการเจริญทำที่ควรเจริญตัวที่เป็นสมถะเราก็ไม่ได้ค่อยมาเน้นกล่าวตรงนี้นะัก เพราะถือว่าสมถะทั้งหลายประเภทเน้นที่จิตตวิสุทธินี่เราก็มาเน้นวิสุทธิที่กําลังกล่าวอยู่นี้คืออะไระบุปภาคหรือเบื้องต้นของมคามคะญาณทัศนวิสุทธิเพราะทิฏฐิวิสุทธิกับกังขาวิกรณวิสุทธิคือยาตะปริญญาเนี่ยนะญาตะปริญญาเท่าที่กล่าวมาก็คือว่าพอเป็นแนวทางในการเจริญยาตะปริญญาได้พอสมควร นี่ก็ทีนี้การเจริญตีรณะปริญญานี้ต้องทําอย่างไรบ้างตีรณะปริญญาที่เป็นเบื้องต้นของมัคคามัคคายาณทัศ น, นวิสุทธินั้นต้องพิจารณากาลาปะสัมมสนาหรือนยาวิปัสนาเนี่ยนะกาลาปะสัมมสนาเป็นภาษาของชาวชาวไหนชาวลังกานยาวิปัสนาเป็นคําของชาวอินเดียเนี่ยนะนี่ยนะสลับกันใช่ไหมสลับกัน ถ้านิยาวิปัสนาเป็นคําของชาวลังกากาลาปะสมมสนะเป็นคําของชาวอินเดียซึ่งทั้งกาลาปะสมมสนะหรือนยาวิปัสนาคืออะไรทวนมาย้อนมาว่าถ้าผู้ที่พิจารณาขันห้าโดยยาตะปริญญาเป็นอย่างดีนะถ้าถ้าเราเอาวิปัสนาภูมิคือขันเป็นตัวตั้งเนี่ยนะ ขึ้นชื่อว่าขันเพราะด้วยเหตุเพียงเท่าไหรน้อแลจึงชื่อว่าขันด้วยเหตุว่าเป็นกองจึงชื่อว่าขันกองแห่งอะไรบ้างกองแห่งรูปกองแห่งเวทนากองแห่งสัญญากองแห่งสังขารและกองแห่งวิญญาณก็คือทุกคนเนี่ยเอามากระจายเอามาพาแล้วได้ห้ากองพอดีกองแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณกองกับกลมนี่ยอันเดียวกันกล่มรูปเวกลมรูป ยีบรูปใช่ไหกลุ่มเวทนาย่อๆก็เวทนาสหรือเวทนาที่เกิดจากภวารหสัญญาก็คือสัญญาในอารมณ์6เจตนาสังขารก็เจตนาในอารมณ์6วิญญาณก็คือวิญญาณที่เกิดตามภวารทั้งหรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้มีเฉพาะขณะนี้เท่านั้นใช่ไหมไม่ใช่เพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มีทั้งที่เคยเป็น อดีตจากมีต่อไปในอนาคตเป็นปัจจุบันเป็นภายในเป็นภายนอกเป็นของหยาบเป็นของละเอียดเป็นของที่เลวเป็นของที่ประนีดเป็นของที่อยู่ไกลเป็นของที่อยู่ใกล้อันนั้นคือความเป็นกองทีนี้กองแห่งขันนะขันสิบเอกองเหล่านี้ขันในอดีตก็เกิดจากปัจจัยในอดีตกองแห่งขันในอนาคตก็จะเกิดจากปัจจัยในแห่งขันในอนาคตกองแห่งขันในปัจจุบันก็เกิดจากปัจจัยในปัจจุบัน ขันที่เป็นภายในก็เกิดจากปัจจัยภายในขันภายนอกก็เกิดจากปัจจัยภายนอกหยาบปัจจัยที่ทำให้ขันหยาปัจจัยที่ทำให้เกิดขันละเอียดปัจจัยที่ทำให้เกิดขันเลวขันประณีตสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไปตามปัจจัยของเขาแต่ในบรรดาปัจจัยหลักๆก็คืออวิชาตันหากรรมนามรูปและพัสสะคือเป็นปัจจัยที่สาคัญแห่งความเป็นไปแห่งขันเหล่านั้น ทีนี้ขันเหล่านั้นเนี่ยมันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเป็นกรร ม, มวัฏวิปากวัฏและกิเลสวัฏเขาเรียกว่าอุปาทา น, นขันอุปาทานนี่เป็นกิเลสอุปาทานน่นเป็นชื่อของกิเลสทีนี้คำว่าขันก็เป็นทั้งกรรมวิบากและกิเลสที่เชื่อมโยงกันไปเป็นปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเมื่อเชื่อมโยงกันเป็นไปอย่างนี้แล้วเนี่ยนะตัวที่เชื่อมคืออวิชชาและปัญหา ปัญหาที่เชื่อมโยงเอาไว้เนี่ยเชื่อมมาอย่างไรลักษณะของเขาก็เชื่อมว่าขันเหล่านี้เป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราถ้ามีผู้ถามว่าปัจจัยที่ทําให้สังสารวัฏยืดยาวนานเนี่ยคืออะไรพระเจ้าค่ะอ่านะพระองค์ก็จะบอกว่าก็การตามเห็นว่ารูปเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเวทนาเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นเราเป็น ของเราเป็นอัตตาของเรานี่คือปฏิปทาแห่งการสร้างวัตตะ น, นะถ้ายิ่งตามเห็นว่านั่นกัเรานั่ น, น, นก็ของเรานั่นอัตตาของเราเท่าไรวัตตะก็เจริญบริบูรณ์ด้วยประการอย่างนี้แหลทีนี้ถามว่าปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อไม่ให้สร้างวัตะหรือเพื่อดับวตะนี้ทําอย่างไร ก็บอกว่าก็ตามเห็นขันท่านั่นแหละว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราหรือที่เรียกว่าตามเห็นขันท่าว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาโดยสูตรฟังไม่ยากแต่โลกของความเป็นจริงคิดตามยากนะถ้าคิดตามง่ายนะสัตว์ทั้งหลายจะดับทุกข์มากกว่านี้เยอะเพราะอะไร น, นะถ้าไปเจอของที่ชอบใจไม่กล้าคิดเลยว่าเป็นไม่ใช่ของเรานะนกลัวกลัวของที่กลัวสิ่งนั้นจะหายไป บางคนก็บอกว่าถ้าตามเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะเดี๋ยวมันเป็นลางสังหรณ์มันไม่ใช่จริงๆเราจะว่าไงเนี่ยนั้นก็เลยห่วงแหนยึดถือธนุถนอมก็เลยไม่กล้าคิดว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราแม้กระทังจัดจาจรมรณาหนุสติก็ไม่กล้าอีกกลัวจะเป็นลางเอาเกิดตายจริงๆจะว่าไงนั่นนะเป็นเอามากขนาดนั้นนะความยึดถือเนี่ยมัน ย, ยิ่งใหญ่มากพูดไม่ยากแต่ว่าไอ้เรียกว่าอะไรนะเป็นสิ่งที่แก้ยาก ไอ้ความยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราตัวยางตัวยางตัวใหญ่ตัวเยื่อใหญ่ตัวนี้คือตัวสร้างวัตตะันพระองค์จึงสอนให้เห็นว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราทำไมก็เพราะรูปเธอเคยเห็นไหมว่ารูปเที่ยงเวทนาเป็นของเที่ยงสัญญาเป็นของเที่ยงสังขารเป็นของเที่ยงวิญญาณเป็นของเที่ยงเคยเห็นไหมไม่เห็นเมื่อไม่เห็นถ้าเราไปสาคัญว่าเป็นของเราถ้าสิ่งนั้นแปลไปจะว่าไง จะเสียใจไหมก็เสียใจอยู่แล้วเนี่ยนะก็ก็อย่างที่ในสูตรในชาดกทั้งหลายที่กล่าวว่าเธอร้องให้เพราะลูกคนนี้ตายไม่ใช่ลูกคนเดียวนะลูกของเธอที่ชื่อว่าชีวาที่ตายไปแล้ว 84% ดหมพันคนเธอจะร้องให้ถึงลูกสาวของเธอคนไหนะนะก็จะรู้ว่าขันใดเป็นที่ตั้งแห่งความอาลัยอาวรณ์เป็นที่ตั้งแห่งความเยื่อใยขันเหล่านั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายใจเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ ทีนี้เราทั้งหลายมัวแต่เยื่อใยในขันหนึ่งขันหนึ่งก็เลยสร้างวตัตตาไปเยื่อยาวไม่มีจบไม่มีสิน้นอันตรนณปิญญาจึงให้พิจารณาว่าขันในอดีตก็สิ้นแล้วในอดีตขันในอนาคตก็จกสิ้นไปในอนาคตขันที่เป็นปัจจุบันก็กําลังสิ้นไปในปัจจุบันคำว่าสิ้นไปนี่แปลว่าขันที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเขามีอายุเป็นของเขาอะนะเหมือนกับอายุของภาชนะ คือภาชนะของคือหม้อมันก็มีอายุของเขารถก็มีอายุของรถบ้านก็มีอายุของบ้านทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่มีอายุใช้งานของเขาานะถ้าดูแลอย่างดีก็ยืดหน่อยถ้าดูแลไม่ดีก็เร็วหน่อยเหมือนว่าเหมือนอย่างขันของเราทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกยังไงก็ตายดูแลดีขนาดไหนก็ตายถ้าดูแลเป็นก็อาจจะตาย ช, ช้าอีก น, อนิดหน่อย่อยนะไม่กี่ปีนะอย่างมากก็ไม่เกินร้อยปี ที่เกินมากที่เกินก็มีบ้างแต่น้อยนะักจะดูแลวิเศษตามไหนก็ตามออกกำลังกายแอโรบิกขนาดไหนก็ตามจะหาอาหารชนิดใดามาทานก็ตามกินวิตามินวันละยี่สิบกอบก็ตามเถอะมัน ก, มนก็มันก็อาจจะเพิ่มอีกนิดหน่อยเนีย่ยนะแต่ว่าสังขารทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดรอบทีนี้เมื่อสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้ทำยังไงจะตัดชั้นราคาจากสิ่งเหล่านี้ได้เพราะการตัดชันนราคาในสิ่งเหล่านี้ได้ นั่นเป็นทางแห่งความสุขนั่นเป็นทางแห่งความสงบอย่างแท้จริงเพราะเพราะว่าเราทั้งหลายก็มีปกติอะไรนะไปปล่อยใจไว้กับสิ่งที่ไม่แน่นอนไปปล่อยใจวางไว้กับสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาพันสิ่งเหล่านั้นก็เลยหลอกห้อนเราเต็มที่เลยนะให้เราเดือดร้อนกันมันก็พยายามทำตีรณะปริญญาทั้งขันที่เป็นอดีตอนาคตและเป็น ปัจจุบันเพื่อกําจัดความลุ่มหลงแห่งขันอดีตอนาคตและปัจจุบันขันอดีตอนาคตปัจจุบันนั้นวิธีการทําตีรณปริญญาซึ่งสูตรก็บอกไว้เบ็ดเสร็จอยู่แล้วใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็แนะนําอยู่แล้วว่าเธอจงพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตน เนี่ยนะขันทั้งที่เป็นอดีตก็เป็นอย่างนั้นไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นอนาคตปัจจุบันก็ในยะเดียวกันนั้นใครที่ตามเห็นอย่างนี้บ่อยๆมากๆขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะปัญญาก็ถึงความแก่กล้า ม, มากยิ่งขึ้นเท่านั้นทีนี้ถ้าปัญญาไม่เจริญก็ให้พิจารณาโดยรูปสัตกะและอรูป์ัตกะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องรูปเนี่ยนะพิจารณาอย่างไร พิจารณาในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรหนึ่งพิจารณาโดยอัฏฐาโดยอัฏฐาก่อนก็คือโดยชาติใช่ไหมว่ารูปในอดีตชาติก็สิ้นไปแล้วในอดีตชาติปัจจุบันชาติก็สิ้นอยู่ในชาตินี้แหละชาติหน้าต่อไปก็สิ้นไปในชาติหน้านั่นแหละทีนี้ก็มาลองเอาลงแค่ชาตินี้นะชีวิตในชาตินี้ตั้งก็เกิดไปจนถึงตายยังไงก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาจากจากเกิดไปถึงตายหารสามดูสิหารเป็นกี่วัย สามวัยเนี่ยนะปฐมวัยมชิมวัยและปัจฉิมวัยแต่ละวัยก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปฉะนั้นแต่ละวัยก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาหรือชีวิตของเราเนี่ยมาหานสิบในทุกๆสิปีก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือมาแบ่งทุกๆห้าปีแต่ละทุกๆห้าปีก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาหรือมาแบ่งทุกสี่ปีทุกสี่ปีก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือทุกสามปี แต่ทุกสามปีก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาทุกสองปีก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาจริงๆชีวิตเราก็เปลี่ยนทุกปีนั่นแหละเนาะทุกปีทุกปีก็เปลี่ยนไปไม่เที่ยงเป็นทุกและเป็นอนัตตาก็บอกว่าเออปีหนึ่งยังช้าไปมั้งเท่าไหร่เปลี่ยนทุกสี่เดือนนีนะสี่เดือนคือทุกฤดูอ่ะนะฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนก็เปลี่ยนไปไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาในทุกฤดูกัน แล้วนะถ้าลงลึกมาอีกก็เปลี่ยนทุกสองเดือนทุกสองเดือนก็มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงสองเดือนช่วงสองเดือนก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทีนี้ถ้าไล่ลงมาอีกก็เปลี่ยนทุกๆุกสิบห้าวันทุกสิบห้าวันก็เดือนหนึ่งเปลี่ยนสองครั้งอย่างนั้นนะมันก็เปลี่ยนจะไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกเป็นอนาตตาจริงก็เปลี่ยนทุกอะไรกลางวันและกลางคืนก็เปลี่ยนทุกวันนั่นแหละถ้าเป็นสมัยใหม่นายก็บอกเปลี่ยนทุกสัปดาห์แล้วก็ไม่ใช่ทุกสัปดาห์นะเปลี่ยนทุกวันนะ ทีนี้บอกว่าจริงๆแล้วเปลี่ยนทุกสมชั่วโมงทุกสชั่วโมงสชั่วโมงช่วงเช้าสมชั่วโมงช่วงกลางวันสาชั่วโมงช่วงเย็นสามชั่วโมงช่วงปฐมยามสามชั่วโมงช่วงมัชชิมยามสามชั่วโมงทุกปชิมยามเนี่ยนะตอนนี้ก็มาเริ่มแลบอกจริงก็เปลี่ยนทุกชั่วโมงนั่นแหละละเอียดลงมาอีกก็เปลี่ยนแม้กระทั่งทุกๆขาไปกับมาเมื่อมีไปไมีมาข้าเปลี่ยนทุกครั้งที่แลเหลียว เปลี่ยนทุกครั้งที่ครูเหยียดะนะเพราะเมื่อเปลี่ยนอย่างนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เรียกว่าไม่เที่ยงต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามสําคัญสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นเราเป็นของเราและเป็นอัตตาของเราซึ่งมันมีการเปลี่ยนแต่จริงๆเลี่ยดกว่านั้นเน่ยเปลี่ยนทุกครั้งที่ย่างเท้าด้วยซ้ําไปขณะยก ยางย้ายย่อนเหยียบยันก็มีการเปลี่ยนทุกครั้งถ้าทวารตาลเลี่ยงวะมองแต่ละภาพแต่ละภาพก็มีการเปลี่ยนไปทุกๆุกภาพที่เราเห็นนั่นแหละทะวารหูก็เปลี่ยนไปทุกเสียงที่เราได้ยินจมูกก็เปลี่ยนไปทุกกลิ่นทวารลิ้นก็เปลี่ยนไปในทุกรสทวารกายก็เปลี่ยนไปในทุกโถดถั่วทวารใจก็เปลี่ยนไปในทุกเรื่องที่เราคิดก็โลกนี้ก็เป็นโลกแห่งความ เปลี่ยนแปลงเรียกว่าโลกแห่งความเป็นอ น, นิจจังคือมันเปลี่ยนจนจนไปสําคัญมั่นหมายไม่ได้ว่าไอความไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นสัจจะคือความจริงอันนี้แน่นอนแต่ผู้ใดบอกว่าจงจีรังจงยั่งยืนจงมั่นคงเถิดเป็นไปได้ไหมไม่ได้พระองค์จึงเปรียบว่าไอความไม่เที่ยงของขันเหล่านี้มันเหมือนไม้อ้ตอต้นอ้อเนี่ยนะต้นละหงต้นอะไรอีกต้นกล้วยเหมือนฟองน้ําเหมือนตอมน้ําเหมือนพยับแดด มันอยู่ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงมันไม่มีแก่นสารที่จะมั่นคงอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้แล้วส่วนแบ่งรูปถ้าแบ่งตามกลุ่มกรรมชรูปกลุ่มกรรมชรูปก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทุกทุกอนุขณะจิตน <tr> ั <tr> ่นแหละจิตตชรูปก็เปลี่ยนแปลงทุกขนาดจิตอุตูชรูปล่ะก็เปลี่ยนแปลงทุกอนุขณนจิตอาหารชรูปก็เปลี่ยนแปลงทุก อนุขณาจิตอีกนั่นแหละเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นกรรมชัรูปจิตตชัรูปอุตูชรูปและอาหารชรูปกรรมชัรูปถ้าแบ่งว่าทวารตาก็สินนนส้นไปในทวารตาไม่ถึงทวารหูทวารหูก็สิ้นไปในทวารหูไม่ถึงทวารจมูกทวารจมูกก็สิ้นไปในทวาร น, นั้นนนั้จะไม่มีการเล่นเลยไปหาทวาร น, นั้นนนั้ถ้าจิตตชรูปก็หัวเราะก็อย่างหนึ่งร้องไห้ก็อย่างหนึ่งดีใจก็อย่างหนึ่งสศกใจก็อย่างหนึ่งก็พระองค์จึงบอกว่า เวทนานี่มีสามใช่ไหยสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาทุกคนจะสวยเวทนาทีละอย่างขณะที่หัวเราะก็ไม่ใช่ร้องไห้ขณะที่หัวเราะร้องไ ห, ห, ห้ก็ไม่ใช่เฉยๆก็คือเปลี่ยนหมุนไปตามแต่เวทนาที่เป็นสมุทฐานและเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง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 แปลปรวนไปเป็นธรรมดาเหมือนกันความเฉยๆเหล่านี้ล่ะความเฉยเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเหมือนกันวันเวทนาก็สับเปลี่ยนหมุนเวยนเียนเปลี่ยนกันไปเช่นนี้เมื่อเวทนาทั้งหลายหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเช่นนี้เราจะหวังอะไรเล่าจากจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะจะไปสําคัญหมายอะไรจาก สิ่งเหล่านี้พันอริยาสาวกที่ฟังวิจัยทำปริญญาตามคําสอนเหล่านี้จักเบื่อหน่ายแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามปัจจัยเนี่ยนะจนไปสําคัญหมายอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวถ้าหากว่าเป็นอาหารชรูปล่ะวันนี้ทานข้าไปกี่คําไปกี่ประเภทอย่างเงี้ยนะอาหารมีกับกี่อย่างเนี่ยนะอาหารที่ให้แต่ละอย่างแต่ละอย่างมันก็ไม่เหมือนกัน รูปของเราทั้งหลายที่เป็นไปขณะอิ่มขณะหิวแต่และช่วงของขณะอิ่มก็อย่างหนึ่งขณะหิวก็อย่างหนึ่งถ้ายิ่งยาด้วยเลยนะถ้าคนที่ใช้ชีวิต <c oughs> อยู่ด้วยยาถ้าขาดยาไปแต่ละครั้งมันเป็นยังไงก็ไม่แน่แล้วใช่ไหมมันรูปของเราทั้งหลายเนี่ยเป็นอยู่ด้วยอาหารด้วยอาหารคือคำข้าวเป็นต้นถ้าอาหารเหล่านั้นหมุนเวียนเปลี่ยนไปหรือถ้าอาหารไม่พอเป็นต้นเนี่ยรูปเหล่านี้ก็ อย่าำแย่เต็มทีแล้วแล้วอุตุเนื่องด้วยอุตุด้วยนะหนาวเกินไปก็แย่นะร้อนเกินไปอุตุภายนอกนะร้อนร้อนกับเย็นเย็นกับร้อนหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเดี๋ยวก็ตายนะไปบางภาคก็นึนกนะโอ้กังคืนหนาวเหน็บกลางวันก็ร้อนระอุหนาวเหน็บสลับกับร้อนระอุบ่อยๆเข้าจะเหลือหรืมันไม่น่าจึงไม่เหลือเลยนะก็มีกลางวันมีกลางคืนมีเย็นมีร้อนไม่นานสักเท่าไหร่สังขารทั้งหลายก็จะ ร่วงโรยไปอย่างนี้แหละมันเอามาพิจารณาในส่วนรูปเหล่านี้จนเพียงพอทีนี้การพิจารณารูปเนี่ยพิจารณาด้วยปัญญาอย่าลืมพิจารณาจิตที่พิจารณาสิ่งเหล่านั้นด้วยว่าจิตที่พิจารณาสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเพราะใครที่พิจารณาอย่างนี้มากๆบางทีมานะมันเกิดนะเพราะว่าปัญญาทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งมนะันนะเป็นที่ตั้งแห่งความ สำคัญผิดเป็นที่ตั้งแห่งความสำคัญตัวเป็นที่ตั้งแห่งความเย่อหยิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความดูหมิ่นดูแคลนผู้อื่นมันก็พิจารณาว่าความคิดเหล่านั้นที่พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตเหล่านั้นก็เป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาจนเอาปัญญาเหล่านี้หรือจิตเหล่านี้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความสาคัญด้วยอานาจตันหามานะและทิฏฐิการพิจารณาอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของอรูปสัจกะ จนไม่สำคัญแม้กระทั่งในความคิดเหมือนกัน น, นะสังขารภายนอกไม่เที่ยงความคิดตัวนั้นก็ไม่เที่ยงยนะก็ใส่ใจความคิดที่ไม่เที่ยงแบบนี้ยซ้ำๆๆๆกันไปมากผู้ใดที่มีปกติเจริญพิจารณาอย่างนี้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งกลางคืนทั้งกลางวันเว้นไม่แต่หลับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญา ม, มากนะ พ, พิจารณาอย่างนี้จนคล่องแคล่วจน ชำนิชำนาญใส่ใจสังขารไหนก็อ น, นิจจังทุกขังอนัตตานี่ไวมากอันนี้ก็เรียกว่าอะไรชาวนะปัญญาเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีปัญญาว่องวัยปัญญาเล่นไปไวในความไม่เที่ยงเป็นทุกและเป็นอนัตตาในสังขารเหล่านั้นทั้งหมดไม่ว่าจะอารมณ์ใดการใดเวลาใดก็ชำนาญในการพิจารณาอ น, นิจจังทุกขังและอนัตตานี่มาดูในหน้าหนึ่งอห้าเอดนี่ยนะวิสุทธิมัติว่าไปเครื่องวันกว่าพึ่งเข้าเนื้อได้ มาดูข้อ722บอกว่ามหาวิปัสนา18ที่พึงบรรลุโดยอาการทั้งปวงด้วยอำนาจแห่งปหานะปริญญาปหานะปริญญาเริ่มตั้งแต่เมื่อไรตั้งแต่พังคานุปัสนาญาณข้างหน้าไปใดพระโยคีผู้มีรูปกรรมฐานและนามกรรมฐานคล่องแคล่วอย่างนี้นั้นเมื่อแทงตลอดเอกเทศคือส่วนหนึ่งแห่งมหาวิปัสนาเหล่านั้นในตีรณปริญญานี้นั่นแหละ ก็ย่อมละธรรมะอันเป็นปฏิปักต่อมหาวิปัสนาสิบปเหล่านั้นได้ใครที่เจริญเนี่ยนะทำตีรณะปริญญาพิจรารณาทั้งรูปทั้งนามพิจรารณาเหตุตัจใจพิจรารณารูปสัตตกาารูปสัตตก า, ตกาพิจรารณาอนิจจ์ทุกขังอนัตตาจนชํานาญเขาจะละอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยมาดูนะว่าเขาละอะไรได้บ้างปัญญามีอนิจจานุปัสนาเป็นต้นชื่อว่ามหาวิปัสนาสิบปดคืออะไรคือ เมื่อเจริญอนิจจานุปัสสนาก็ละนิจจสัญญาได้อนนะคือถ้าหาว่าใครที่เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงจะสําคัญว่าสิ่งนั้นมั่นคงได้ไหมไม่ได้เมื่อตามเห็นโดยความเป็นทุกข์คือเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ก็ละสุขสัญญาได้เมื่อตามเห็นโดยความเป็นอนาัตตก็ละอัตตสัญญาได้ทวนอีกครั้งหนึ่งนะถ้าไปตามเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงนะแล้วสําคัญว่าสิ่งนั้นมันจะมั่นคงได้อย่างไร ละความสําคัญว่าเป็นของเที่ยงได้ทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งทุกสารพัดทุกเนี่ยนะจะไปสําคัญว่าที่นั่นสนุกได้อย่างไรที่นั่นเป็นสุขได้อย่างไรเมื่อตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่มีผู้ใดมีอํานาจแท้จริงในสิ่งนั้นจักสําคัญว่าตนเนี่ยจักสําคัญว่าเป็นตนได้อย่างไรเมื่อเจริญนิพพานุปัสสนาก็ละความเพลิดเพลินได้นันทิเนี่ยนะตามเห็นอู้น่าเบื่อหน่ายไปหมดเลยก็ไม่รู้จักเพลินไปทําไมก็เลยละความ เพลิดเพลินได้เมื่อเจริญวิราคานุปัสนาวิราคาก็วิตัวนั้นวิแปลว่าปฏิเสธราคาแปลว่าราคาความจับความยึดถือเนี่ยนะวิปฏิเสธก็คือเลิกยึดถือทั่วไปนิยมแปลว่าคลายกำหนัดเนี่ยนะคือคลายและคือจางคลายไปก็เลยละราคาได้เมื่อเจริญนิโรทานุปัสนาตามเห็นโดยความดับก็ละสมุทัยคือการก่อสร้างได้ เมื่อตามเห็นความดับ ก, ก็มุ่งที่จะเลิกสร้างวัตตะนะสมุทัยตัวนั้นคือแผนกก่อสร้างวัตตะเมื่อเจริญปฏินิสขานุปัสสนาก็ย่อมละอาธานะคือความยึดถือได้อะ น, น ะ, ะปฏินิสาขามันคืาให้ว่าอะไรนะเหมือนอย่างว่าเราไปกลืนกินอาหารที่เราเลี่ยนที่สุดใส่เสีเอียนที่สุดอาเจียนออกไปเนี่ยถามว่าใครจะอมเอาไว้ไหมนี่ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเห็นว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยนะ ไซ ส, อสเอียนตานั้นก็ไม่อมมาไว้แล้วนะไม่เอาละเมื่อเจริญขยานุปัสสนาก็ละคณะสัญญาได้ขยานุปัสสนาคือการตามเห็นทุกขณะที่แตกดับไปของสังขารทั้งหลายในสมุทฐานสีเนี่ยนะก็ย่อมละคณะสัญญาคือความสําคัญว่าสิ่งเดียวกันคือขยานุปัสสนาเนี่ยนะคนที่เป็นเห็นอะไรจําแนกเลยกรร ม, มะชะรูปจิตะชะรูปวุตุชะรูปอาหารชะรูป กรรมชืรูปสิ้นไปเสื่อมไปอย่างนี้จิตมชรูปสิ้นไปเสื่อมไปอย่างนี้อาหารชรูปสิ้นไปเสื่อมไปอย่างนี้อุตุชรูปสิ้นไปเสื่อมไปอย่างนี้เมื่อมีการจำเนกแยกเยะในความสิ้นไปอย่างนี้จะสำคัญว่าโอ้โหมั่นคงมากคิดอย่างนั้นไหมไม่เพราะมีการแยกแยกพยิจารณาในความเป็นของไม่เที่ยงทุกส่วนทุกตำแหน่งไปจะไปสำคัญคณะความเป็นกลุ่มเป็นก้อนความเหมือนกับว่ามันมั่นคงเหลือเกินสังขารสมัครสมานสมาสมาัคคีปรองดองกันเหลือเกินอย่างนั้นไหม ไม่เพราะมันทะเลาะกันทุกนั่นน่นแล้วรูปทะเลาะนาำน้ำทะเลาะรูปรูปทะเลาะรูปนะน้ำทะเลาะนามเนี่ยนะเคยขัดใจตัวเองไหมแสดงว่านามไว้ยังทะเลาะนา้ำนีะเมื่อเจริญวิญญาณุปัสสนาก็ย่อมละอายอยู่ขณะความประมวลมาได้คือตามเห็นแต่ความสิ้นไปเนี่ยนะเห็นแต่ความเสื่อมไปสิ้นไปมุ่งที่จะดับเนี่ยแล้วใครจะต้องการสร้างวัตตะทำอะไรใช่ไหม เพราะต้องการไม่ให้สังขารเนี่ยเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิจิตอ่ะ น, นะก็จะไม่ไม่ทำอายุหนะอายุหนะคือการประมวลมาซึ่งพบใหม่ตัวนั้นนะบาลีมาจากอายุหนะตัวนั้นเนี่ยแปลว่าความประมวลมาซึ่งพบใหม่เมื่อจิตเนี่ยตามเห็นความดับโดยประจักษ์และคล้อยตามอัุญาตเนี่ยนะตามเห็นโดยความเป็นของสิ้นไปเสื่อมไปน้อมไปเทือจะปล่อยโดยส่วนเดียวจะยึดถือเอาปฏิสนธิมาอีกทำอะไรา เพราะจึงไม่ต้องการปฏิสนที่เนี่ยนะบอกว่าเอียนการเกิดในภพใหม่เต็มทีแล้วนะเมื่อเจริญวิปริณามานุปัสสนาก็ย่อมละทุวาสัญญาได้ทุกอย่างเห็นแต่ความแปรไปแปรไปโดยชราและมรณะนะตามเห็นแปรไปโดยชรามรณะตามเห็นแปรไปโดยรูปสัตตกะรูปสัตตกะเนี่ยจะสำคัญว่ามันมั่นคงได้ไหมทุวานี่แปลว่ามั่นคง เมื่อตามเห็นแต่ความแปรไปแปรปรวนไปเนี่ยนะจะไปคิดว่ามันมั่นคงได้อย่างไรเนี่ยนะเอาอะไรเนาะมาเป็นตัวที่สำคัญว่ามันมั่นคงอะไรเป็นความมั่นใจนะว่าสิ่งนี้มั่นคงเพราะเห็นแต่ความแปรไปตามเห็นแต่ความแปรไปเนี่ยนะเมื่อเจริญอันิมิตานุปัสสนาก็ละนิมิตได้อันิมิตานุปัสสนาก็คือ อั น, นิจานุปัสสนานั่นเองเมื่อตามเจริญอันิมิตานุปัสสนาก็ละนิมิตว่าเที่ยงนิมิตว่าเมื่อเจริญอันิมิจานุปัสสนาก็ละนิมิตว่าเที่ยงได้เมื่อเจริญอปปนิหิตานุปัสสนาอปปนิหิตาก็คือทุกขานุปัสสนานั่นแหละเมื่อเจริญทุกขานุปัสสนาอย่างนี้ก็ละปณิทิคือความปรารถนาพบใหม่ได้ต้องการอีกไหมโอย อ, อะไรนะตามเห็นเอาสิ่งนี้เหมือนอย่างว่า มีลูกคนหนึ่งนะป่วยก็ป่วยคิโรค ก, ก็คีดโรคจะตายไม่ตายแหลบอกขอให้มีลูกคนใหม่เหมือนคนนี้อีกเงี้ยเอาไหมไม่กล้าคิดเลยนะเพราะอะไรเพราะเห็นแต่ทุกข์นะเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่ภาระเห็นแต่ความยากความลำบากแล้วโอ้ยไม่รู้ปรารถนาเอามาทำอะไรอีกเนี่ยนะเมื่อเจริญสุญญ า, านุปัสสนาสุญญานุปัสสนาก็คือ อนัตตานุปัสสนาก็ละอภินิเวศะความยึดมั่นว่าเป็นอัตตาได้อันนี้อภินิเวศะนะความยึดถื อ, อ น, นะยึดถือว่านี่เป็นเรานี่เป็นเราเป็นผู้มีอำนาจเป็นต้นเนี่ยนะสุญญ า, าก็คือตามเห็นด้วยความว่างว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเมื่อตามเห็นอย่างนั้นอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็ละความสำคัญละความ ยึดมั่นได้เมื่อเจริญอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาก็ละสาราฐานาพินิเวสความยึดมั่นคือความยึดถือว่าเป็นสาระได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนาเป็นชื่อของวิปัสสนาญาณทั้งหลายจะไม่เห็นว่าสังขารนี่มันเป็นสาระอะไรเลยยึดถือว่าสังขารนี่เป็นสาระคือความเที่ยงหาได้ไหมสาระว่าเป็นสุขหาไม่ได้สาระว่ายั่งยืน หาไม่ได้สาระว่าเป็นอัตตาสาระว่าเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาฮาไม่ได้แม้แต่นิดเดียวพันเมื่อเจริญวิปัสสนาทั้งปวงก็ละความว่าเออมันไม่มีสาระจริงๆเนี่ยนะเมื่อเจริญยถาภูตยานัทสนะก็ย่อมละสัมโมหาพินิเวสะความยึดมั่นด้วยอำนาจความลุ่มหลงได้คือเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เห็นพูดคือขันธ์ห้าตามความเป็นจริงพร้อมทั้งเหตุ พร้อมทั้งปัจใจ magic, ถามว่าจะลุ่มหลงในพูดเหล่านี้ไหมไม่ลุ่มหลงไม่ลุ่มหลงในผีอีกแล้วนะเพราะรู้จักผีตามความเป็นจริงแล้วก็เลยผีไม่หลอกผีไหนเนาะผีคือภูตรูปและรูปที่อาศัยภูตรูปเนี่ยนะเมื่อเจริญอาทีนวานุปัสสนาก็ย่อมละอารยาพิเนเวสะความยึดมั่นว่ามีอยู่ได้คิดง่ายๆนะถ้าตามเห็นโทษนะจะอะไรอาวอนไหม สมมุตินะถ้าเราเราจับอะไรแบนี่มันร้อนอไม่มือทองแล้วพองอีกแล้วปล่อยออกไปอาวรนไม่อยากจับอีกไม่เอาแล้วนะแต่ถ้าเห็นโทษเท่าใดเนี่ยนะอารยาพินิเวะการยึดถือด้วยอํานาจอาไลานั่นเองยึดถือด้วยความอาไยอาวนอนเคยเคยเห็นคนอะไรอาวอนอะไรไหมนั่นแหละลักษณะนั้นนะถ้าตามเห็นโทษในสิ่งมันจะริอาไลไหมยไม่อาไลาเลยไหม เมื่อเจริญปฏิสังขานุปัสสนาก็ย่อมละอัปปิสังขาความไม่รู้ที่เป็นปฏิปักิต่อปัญญาที่พิจารณาได้ปฏิสังขานุปัสสนาก็คืออุบายในการพิจารณาสังขานี่นะเป็นการพิจารณาอย่างละเอียดทีท่วนเมื่อเจริญปัญญาพิจารณาละเอียดทีท่วนเนี่ยนะก็จะละอะไรละไอ้ความเกียดคร้านน่ะที่มันเป็นปฏิบัติต่อการพิจารณา เพราะว่าไอ้การไม่หาอุบายในการพิจารณาเนี่ยเรียกว่าอัปติสังขาอัปปฏิสังขาแปลว่าการพิจารณาอะตัวนั้นก็คือสอนปลอบปลามาอีกตัวหนึ่งก็เลยเป็นอัปติสังขาแปลว่าการไม่พิจารณาหรืออวิชชานันเองเมื่อเจริญปฏิสังขาคือปัญญาเนี่ยนะก็จะละอวิชชาคือการไม่พิจารณาได้เมื่อเจริญ วิวัฒนานุปสนาวิวัฒนานุปสนาเนี่ยหมายเป็นชื่อของสังขารุเปกข า, ายานหรืออนุโลมยานก็แล้วย่อมละสังโยคาพินิเวะได้ความยึดมัน่นนะความยึดมั่นสังโยกเนี่ยนะก็คือความอะไรพินิเวะการยึดถือสังโยก ค, คือการประกอบเอาไว้ถ้าเป็นนี่ก็เหมือนกับการผูกการมัดก า, การร้อยการรัดการเกาะการเกี่ยว เกี่ยวแบบอะไรอันโตชาตาเป็นชะตาเหมือนต้นไม้ต้นชัดในป่าเหมือนกอไผ่ที่มันอะไรนะมันประสานใครเคยเห็นกอไผ่น้ําน้ํามเยอะๆไหมนัม่นแหละมันเกี่ยวเกี่ยวไว้เกาะอยดึงยากไหมดึงออกยากมากเขาบอกว่าปุตุชนทั้งหลายนี่เห็นเหมือนอะไรรู้ไหมเพึงเห็นปุตุชนทั้งหลายผู้ติดในวัฏฏะเหมือนกอไผ่ที่มันเกี่ยวประสานกันอยู่นั่นแหละภามว่าพระอริออยะเห็นเหมือนอะไรบอกเห็นเหมือนหน่อไม้ รูดง่ายนะดึงตรงไหนก็ได้ใช่ไหมบอกว่าภรริยาเจ้าเพิ่งเห็นประดุดดอกไม้ปุตชชนทั้งหลายผู้ติดข้องในวัดตะเพิ่งเห็นดึดก่กอไผ่ที่ร้อยประสาทเนี่ยนะจะดึงดึงอย่ากจริงลองชวนคนไปฟังทำดูสิโอ้ยเรื่องยุ่งบ้างไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องนะมันพันุ ย, ยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยะนะแต่โลกของภรริยาเจ้าไปเมื่อไหร่ก็ได้นั่นเทีนี้นี่คือมหาวิปัสสนาสิบแปดมหาวิปัสสนาแปลว่า การพิจารณาที่ใหญ่นะปั ส, สนาเนี่ยปัสสาวแปลว่าเห็นนะวิก็คือเห็นแจ้งเห็นแจ้งอย่างใหญ่หรือเห็นเอ่อเห็นแจ้งด้วยความอะไรนะด้วยปัญญาที่มากจริงๆในบรรดามหาวิปัสสนาสิบแปดเหล่านั้นเพราะเหตุที่พระโยคีผู้นี้ได้เห็นสังขารทั้งหลายด้วยอํานาจไตรลักษณ์นะคือไตรลักษณ์ก็คือเห็นสามัญลักษณะลักษณะที่ทั่วไป มีอนิจจาลักษณะทุกคลักษณะและอนัตตลักษณะฉะนั้นจึงเป็นอันเธอได้แทงตลอดอนิจจานุปัสนาทุคลานุปัสนาและอนัตตานุปัสนาแล้วอนนันเพราะอะไรเพราะว่าตามเห็นรูปที่สิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะตามเห็นแบบนี้แหละนี่แหละเรียกว่าเจริญอนิจจานุปัสนาตามเห็นว่ารูปเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความน่ากลัวพยัตเถนะเนี่ยนะน่ากลัวก็เป็นอะไร เห็นว่าน่ากลัวก็เป็นอนัตตานุปัสนาน่ากลัวก็ทุกขานุปัสนาถ้าเห็นว่าไม่มีสาระอะไรเลยอนัตตานุปัสนาเพราะฉะนั้นถ้าตามเห็นอย่างนั้นจนชำนิชำนานอนุปัสนาสามก็บริบูรณ์อันหนึ่งเพราะเหตุที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวไว้ว่าอนิจจานุปัสนาอันใดก็ดีอันนี้นอ น, อ น, น, อ น, นิมิตตานุปัสนาอันใดก็ดีสองอย่างนี้มีสภาวะเหมือนกันต่างกันแต่คาพูดคือพยัญชนะเท่านั้น อะไรนะเนื้อในเหมือนกันแต่สติกเกอร์ติดไว้ต่างกันต่างกันแค่สติกเกอร์นั้นเองใช่ต่างกันแค่อะไรนะแค่ชื่อนะคนหลายชื่อนะคนหลายชื่อมีชื่ออะไรนะชื่อตามความถนัดทุกขานุปัสสนากับอปนิหิตานุปัสสนาต่างกันแต่ชื่ออนัตตานุปัสสนาสุญตานุปัสสนาก็ต่างกันแต่เพียงชื่อ เพราะฉะนั้นอนุปัสนาสามเมียนิมิตานุปัสนาเป็นต้นเหล่านั้นก็เป็นอันเธอได้แทงตลอดหมายคําว่าเข้าถึงอันนี้มิตานุปัสนาเข้าถึงอัปนิหิตานุปัสนาเข้าถึงสญญตานุปัสนาคือหมายคําว่าถ้าได้อนิจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตานุปัสนางก็เท่ากับได้อนิมิตานุปัสนาอัปนิหิตานุปัสนาและสุญญานุปัสนาแล้ว ส่วนอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาก็เป็นชื่อของวิปัสสนาทั้งปวงวิปัสสนาทุกอย่างก็ชื่อว่าอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาเนี่ยนะอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาก็คือปัญญาที่รู้ทำเห็นธรรมะด้วยด้วยความรู้อย่างยิ่งเนี่ยนะด้ยอันนี้พวกการเจริญอธิปัญญาสิกขานั่นแหละ ยะถาภูตยานทัศนะก็เป็นอันสงเคราะห์ด้วยกังขาวิตรณะวิสุทธินั่นเองก็กังขาวิตรณะวิสุทธิก็ได้สองวิปาาัสนาญาณใช่หมคือสังขารปิเฉทญาณกับปัจจะยะปริฆาญาณ น, นี่แหละมีชื่อว่ายะถาภูตายานทัศนะเฉพาะตรงนี้นะถ้าที่อื่นยะถาภูตยานทัศนะเป็นชื่อของวิปัสนาญาณสี่ข้อวิปัสนาญาณสี่ข้อคือ สังขารปริเชษทยานปัจญาปริขหายานสมมสนายานและตรุณะอุททยพยายานในบรรดาวิปัสนาญาณที่เหลือวิปัสนาญาณบางอย่างพระโยคีก็ได้แทงตลอดแล้วบางอย่างก็ยังไม่ถึงอ่ะนะเช่นพลวัตวิปัสนาทั้งหลายก็ยังไม่ถึงอ่ะนะก็จะค่อยๆจําแนกต่อไปข้างหน้าคําว่ามหาวิปัสนาสิที่พึงบรรลุโดยอาการทั้งปวงด้วยอํานาจแห่งปหานะปริญญา ปาปริน ญ, ญาเริ่มตั้ ง, งเมื่อไรเริ่มตั้งแต่พังคานุปัสนาญาณข้างหน้าเป็นต้นไปพระโยคีผู้มีรูปกรรมฐานและนนามกรรมฐานคล่องแคล่วแล้วอย่างนี้รูปกรรมฐานมีกี่หมวดเจ็ดหมวดนามกรรมฐานก็มีเจ็ดหมวดที่เรารู้กันว่ารูปสัตกะอารูปสัตกะถ้าพิจารณาจนชํานาญคล่องแคล่วเมื่อแทงตลอดเอกเทศแห่งมหาวิปัสนาเหล่านั้นตีระปริญญาเนี่แหละก่อน ย่อมละธรรมะอันเป็นปฏิปักต่อมหาวิปัสนาสิบปดเหล่านั้นได้คือถ้าเจริญตามนั้นจริงๆนะเราเชื่อไหมว่าเราละตามนี้ละละที่ท่านว่าได้จริงอะ น, นะก็ละได้จริงอ่ะ น, นะพราะมาจึงชอบคําที่ท้าวสักกะชมชมคําสอนของพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระนิพพานและข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานเนี่ยเหมาะสมกันอย่างยิ่งเหมือนน้ําที่มสองสายนี่ไหลเข้าไปไหลเข้ากันอย่างกลมกลืนเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงพระนิพพานกับสภาวะของพระนิพพานนี่กลมกลืนกันดังนั้นอริยสัจเนี่ยก็มีการคล้อยตามการมีความกลมกลืนกันตั้งแต่การเจริญแล้วถ้าหากว่าผู้ใดถามมาเออเมื่อเจริญไปอย่างนี้แล้วรู้อริยสัจได้อย่างไรอันนี้น่าคิดนะว่าเอสิ่งที่เราเจริญอยู่นี่ใกล้บรรลุได้ไหมบรรลุจริงๆริงไดไหมถ้าไม่กลมไม่กลมกลืนต่อการรู้เห็นอริยสัจนั้นการพิจารณาเนี่ยต้องให้กลมกลืนต่อการรู้เห็น อริยสัจต้องสอดคล้องต่อการรู้เห็นอริยสัจเพราะวิปัสสนาทั้งหลายมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าสัจจานุโลมมิจยานเป็นยานที่อนุโลมต่อการรู้อริยสัจรู้ได้อย่างไงเอถ้าเห็นว่าไม่เที่ยงรู้อริยสัจได้อย่างไง ร, รู้ได้ยังไงเมื่อเห็นด้วยความเป็นทุกข์ทำอนุโลมต่ออริยสัจข้อไหน อ๋อ um, เพราะอ น, นิจจังก็ทุกขสัตว์ใช่ไหมทุก ข, ขังก็เป็นทุกขสัตว์อนาตาก็เป็นทุกขสัตว์อ้าวถ้ารู้อ น, นิจจังทุก ข, ขังอนัตตล ะ, ะกิเลสอะไรละสมุทัยสัตว์อะไรถ้าเห็นโดยอนิจจังก่อนละมานะถ้าเห็นโดยทุกขังก่อนละอืมถ้าเห็นโดยอนิจจังละโทสะหรือละมานะถ้าเห็นโดยทุก ข, ขังล ะ, ขขงละตัณหาถ้าเห็นโดยความเป็นอนัตตละ ทิฏฐิหรืออวิชชาเพราะฉะนั้นถ้าเห็นโดยอนิจจังทุกขังอนัตตก็ละอวิชชาตันหามานะล ะ, ละโลภโทสะและโมหะถ้าเรารู้อนิจจังจริงมันต้องละมานะได้สิถ้ายังมีมานะอยู่แสดงว่าไม่ไม่รู้อนิจจังจริงหรือละถ้ายังเห็นอนิจจังไม่พอก็ยังละโทสะไม่ได้ถ้าเห็นว่าทุกจริงมันต้องละตันหาสิเห็นแต่ทุกบางขณะใช่ไหมแต่ถ้าเห็นทุกทุกขณะจะละตันหาได้ถ้าเห็นอนัตตาจริงๆก็ต้องละ ทิฏิได้ละละโมหะได้เมื่อก่อนนะีเราจะฟังแต่คําว่าอนัตตาอนัตตามากๆเลยนะก็สงสัยเอ๊ะมันละทิฏฐิหกสิบสองได้อย่างไรอ่านะสมัยศึกษาธรรมะใหม่ๆเนี่ยตั้งคำถามตรงนี้บ่อยมากเออรู้อนัตตาเยอะๆแล้วทำไมมันจริงละทิฏฐิหกสบสองได้เราก็อ่านทิฏฐิหกสิบสองไม่เห็นรู้เรื่องเลยแล้วบอกว่ามีอนัตตานุปัสสนาแล้วละทิฐิได้แต่จริงๆแล้วละได้ถ้ารู้อนัตตาดี ซึ่งอนัตตาเนี่ยจะเข้าใจละเอียดดีต่อเมื่อรู้จักอุทยพย า, ยานอุทยพย า, ยานนี้เป็นตัวที่บายอนิจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างดีเนี่ยนะอย่าหลับก่อนก็นแล้วกันไม่ใช่วันหลังวันนี้แหละบ า, บายนะโอยบายแก่ๆหน่อยอาหารกำลังย่อยอะนะกรดก็กําลังหลังง่วงก็ง่วงเรื่องก็ยาก ทึงไหนแล้วครนี้ก็มาขึ้นอุทยพยายาญาเลยนะอุทยพ ย, ายาัญญาใครยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเอาไว้เรียนปฏิสัมพิธามมรรคต่อเมื่อมีโอกาสในหน้า156ข้อ723กล่าวถึงอุทยพยายาญว่า พระโยคีผู้มีญาณหมดจดเพราะการละนิจจสัญญาเป็นต้นอนนันเป็นธรรมะที่เป็นปฏิบักษต่ออนิจจานุปัสนาเป็นต้นอ่านะนิจจสัญญ า, าเป็นปฏิบักษต่ออนิจจานุปัสนาใช่ไหมสุขาสัญญาเป็นปฏิบักษต่อทุกขานุปัสนาอัตตสัญญาเป็นปฏิบักษต่ออนัตตานุปัสนาวิปลาดมีกี่อย่างวิปลาดมีสามอย่าง หสัญญาวิปลาสสองจิตตาวิปลาสสาทิฏฐิวิปลาสอาการของวิปลาสมีสี่อย่างตัววิปลาสมีสามสัญญาจิตและทิฏฐิอาการวิปลาสมีสี่อย่างวิปลาสว่างามในสิ่งที่ไม่งามวิปลาสว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์วิปลาสว่าเป็นอัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตาอีกข้อหนึ่งวิปลาสว่าเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยง ตัววิปลาดมีสามอาการของวิปลาดมีสี่พันสามคูณสี่เท่ากับสิบสองก็วิปลาดสิบสองวิปลาดเนี่ยแปลเป็นภาษา บ, บาลีก็แปลาบาลีครั้งว่าวิปลาโสเท่ากับวิปริโตวิปริโตแปลว่าวิปริต